สมาธิที่เรามีก็อนุโลมว่าเป็นสัมมาสมาธิไปก่อนปัญญาที่เรารู้เห็นไตรลักษณ์ก็อนุโลมเอาว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไปก่อนสัมมาแท้ๆไปเกิดในองค์มรักษ์นี่ <c oughs> ตอนนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิอะไรนี้เรียกโดยอนุโลมเอา <c oughs> เรียกเอาใจ <c oughs> เรียกเอาใจคอ <c oughs> ในพระไตรปิฎกก็มีนะคำชนิดนี้ <c oughs> คำพูดเอาใจอย่างในวิพัง์ ของอภิธรรมมีอยู like ่บทหนึ่งบอกทำเอกเอโกทิภาวะคือความตั้งมั่นของจิตคือสัมมาสมาธิแต่ทำเอกจริงๆเกิดในชาญที่สองชาญที่สองไม่ได้เกิดในอริยมรรคทุกครั้งเพราะงั้นไม่ใช่ว่าทำเอกในอริยมรรคกับทำเอกที่เราใช้เจริญสติอยู่ข้างนอกนี้อันเดียวกันเรียกอนุโลมเอาสัมมาสมาธิโดยอนุโลมเอา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 รู้ว่ายังอยากดีอยู่อะค่ะแต่จะถามหลวงพ่อว่ายังกดยังเพ่งอยู่บ้างไหมคะยังยังกดยังเพ่งอยู่นะเยอะยมากาไหมคะไม่มากนะไม่มาก อ, อ, อย่างตอนนี้มันมากเป็นพิเศษเพราะมันตื่นเต้นตื่นตนตตคะอนที่ยังไม่ได้จับไม่เนี่ยไม่ได้มากอย่างนี้ตอนออที่ไม่ได้จับไม่เนี่ย<ะ>กระบวนกระวายกลัวไม่ได้ไม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 ให้มันเป็นธรรมชาตินะธรรมะเนี่ยเรื่องธรรมดาอาเชิญยกมือคุณนิสยกก่อนพระอาจารย์ค<า>่ะยู่ยมพระอาจารย์ช่วยมีคุณแม่ด้วยเหรอใชอ่ว่าไปกันครอบครัว <laughs> ว่างกับันรติดีอาจารย์กับมาตรการแต่ฟังที่ดีอาจารย์ทุกวันเลยจ้ะดีสิแต่ก็รู้นะแต่ก็ไปดวดไม่รู้มันจะถูกก็เปล่านะ ถูกสิฟังทุกวันนะฟังทุกวันแล้วยอมรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันนี้น่ารักไม่เท่ากันรู้สึกไหมรู้ออเนี่เห็นไหมพาวนาเป็นแล้วบางวันก็น่ารักบางวันก็น่าหยิกใช่ไหมไ<อ> <laughs> นี่นแหละเรารู้ทันความรู้สึกของเราเรื่อยๆอยงนนี้ใช้ได้นะอาไปเท่านั้นยกมืออยู่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 เวลารู้ขึ้นมาแต่ละทีเหมือนน้ำเนี่ยหยดลงดินนะครับแล้วค่อยสร้างทาเหมือนกันไปเรื่อยๆถูกไหมครับหยดทีแรกแทบเดียวหายไปแล้วนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะรอนเอาให้น้ำท่วมแผ่นดินเลยเป็นพยามารอยู่ไม่ได้เลยคขอบคุณครับ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 วันนี้ผมก็พาคุณแม่มาเหมือนกันครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยสอนแนะนำคุณแม่ด้วยครับคุณแม่นั่งอยู่ทางโน้นฮะ เ, ออเดี๋ยวหลวงพ่อถามก่อนมีคใครพาแม่ยายมาบ้างั้ม <laughs> <laughs> เสื้อขาวะครับไหนไหนยกมือซิมา<ห> <ยก S 2> คุณแม่คุณแม่ยกมือหน่อยคนไหนอ๋อนี่เหรอเสื้อขาวครับให้ฟังซีดีเยอะ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 ไม่ไม่ได้หลงนะนะรู้สึกเลยได้เพียงแต่ว่ากําลังของสมาธิของคุณมันน้อยไปนิดนึง <Okay. S 1> แต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอกก็ <Okay. S 1> แค่รู้ว่ามันไม่ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดรู้อย่างนี้ปนไปเอยรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดนะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าทําทตามสูตรเนี่ยถ้าคุณเป็นพระป่านะก็ต้องทําสมาธิเพิ่มขึ้นนิดนึงให้ใจมีแรงแล้วมันจะดูได้ชัดขึ้นใ ห, ให้ทําสมาธิเพิ่มนะ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 ลำคาญหมาารู้ว่าลำคาญนะอื่ันรู้ไปอายุเท่าไหร่คนนี้รู้ลำคาญครับแต่ว<ต>่าหลุ ด, ลดทางวาจาไปหลุดไปแล้วก็แล้วไ ป, ไปทีหลังเราอย่าหลุดกีนแล้วกันหนะมามันไม่ชอบนะหมามันก็ชอบให้ชมหนะมามันก็ฟังรู้เรื่องนะอย่าไปว่ามันเดี๋ยวมันเสียใจยอย่าเรียนปรึกษาพอนีหนึ่งครับคือช่วงนี้รู้สึกว่ามันมันติด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 เอาคุณพ่อจะคิดเก่งกว่าคุณลูกอ่ะเข้ามาชาร์จแบตสี่วันแล้วค่ะรู้สึกว่าแบตมันเออแบตค่อนข้างเสื่อมเสื่อมเสื่อมมากเลยจ้ะค่ ะ, ะก็เลยอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อไปกลับไปสงสัยจะแย่ถ้าจเจริญก็ปฏิบัตินะเสื่อมก็ปฏิบัติจเจริญแล้วดีใจก็รู้เสื่อมแล้วเสียใจก็รู้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 เราก็จะเห็นคนข้างๆ้างซ้ายขวาเนี่ยก็รูปแบบต่างๆกันนะคะแต่ครั้นี้เวลามาทําเนี่ยก็หลับตาแล้วก็จะดูเห็นความเคลื่อนไหวข อ, อของกายค่ะก็จะรู้สึกเนี่ยค่ะพอทําไปเนี้ยเกือบชั่วโมงไออาการอันานั้นามันหายไปก็ก็ ก, ก, ก, ก็ที่ท <c oughs> เราเราไม่ได้ดู <c oughs> เพื่อให้อะไรอยู่หรือให้อะไรหายนะ <c oughs> ส่วนว่าเราไปเห็นสภาวะที่ไหวๆขึ้นมาในหน้าอก <c oughs> มันไหวขึ้นมา เราก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไป <คะ S 2> สิ่งที่ต้องระวังมีอันเดียวก็คืออย่าถล่มลงไปดูดูห่างๆน<ค>ะแล้วถ้าไหวๆ ไ, ไปพักหนึ่งจิตเราลาคาญขึ้นมาอะไรหน้าหน้าลาคาญหรือจิตเกิดสงสัยขึ้นมา <คะ S 2> ก็รู้ว่าลาคาญหรือว่าสงสัย <คะ S 2> อาศัยรู้สภาวะทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะมารู้ทันจิตนั่นเองแต่แล้วมันก็พอพอเห็นภาวะที่มันโล่งนี่มันก็จะเบาสบายไปค ะ, ะ, คะเรานะยินดีเราก็รู้ทัน ก็ตอนเย็นก็ไปเดินจงกลมก็ก็ก็รู้รู้ตัวตีอะฮะเอาไปทางนี้บ้างใครนะยกไว้กลุ่มนั่นถอยไปเบอร์ห้าสิบเจ็ดก่อนไปกราบนรมัมสการพระอาจารย์ค่ะคื อ, อหนู